นำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติขอสมควรแล้วจึงค่อยเจริญพุทธมนตเพราะว่าเรามารวมกันไลแห่งมารวมในที่นี้ก็ประสงค์อยากจะรู้ธรรมะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังการที่เราเกิดมาเ่ระชาติ จะได้มาพบพุทธศาสนาเลยฟังคําสอนของพระเทเจ้าจนเข้าใจได้ละชั่วทําดีได้รู้จักวิธีชําระจิตใจของตนให้สะอาดได้อันนี้มันแสนยากนะเพราะอะไรจึงยากก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกลัวจะสร้างบา ร, รมีเต็มคนนานแสนนาน จึงได้ตัดสรุปบา ร, รมีไม่เต็มก็ไม่ได้ตรัสดังนั้นการที่เราได้เกิดมาชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนานี้ก็เป็นบุญยราบแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พากันประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของผู้เผยเจ้าเราจึงจะพ้นทุกข์ได้อันคนที่พ้นทุกข์ไม่ได้อยู่นี่ก็เนื่องจากมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนผู้เผยเจ้าอย่างจริงจัง ส่วนมากก็ทาความดีกับเพียงแต่ขอไปทีทํานิดหน่อยๆไม่เอาจริงเอาจังเช่นนั้นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยมันจึงละกิเลสไม่ได้อันกิเลสนี่นะมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นานแสนานานแล้วขอให้คิดดูให้ดีความโลภความโกรธความหลงนี่นะ มันติดสอยห้อยตามมาในสงสารอดีตชาติที่ร่วงแล้วมานะนับชาติไม่ทวนเลยการที่บุคคลเกิดมาแล้วสเสวงหาเงินทองเข้าของอะไรก็ยากลำบากไม่ค่อยได้ปิดเครื่องมากอย่างนี้มันก็เนื่องมาแต่ ชาติก่อนนั้นลุอำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงเมื่อความโลภครอบงำจิตใจแล้วก็มีความตณ์หนี่ไม่ทําบุญบริจาคทานให้ทานก็ให้นิดๆหน่อยๆ อ, อย่างว่านั่นแหะให้ไม่สมกับฐานะเนื่องมาแต่ความโกรธคนเราเมื่อมีความโกรธจัดอยู่ในใจแล้วมันก็ขาดเมตตากรุณา ก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นกรรมนั้นยึงตามมาสนองเอาเกิดมาชาตินี้เป็นผู้มา ก, กไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหาความสุขสบายได้ยากก็เพราะโทษเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้พินทุกข์นั่นเองเนี่ยมันมีสาเหตุชีวิตของคนเราที่เป็นมา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะเป็นมีสาเหตุต่อเนื่องมาแต่อดีตชาติหนนหลังไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆลรมาเกิดเอาเองหามีได้อย่างเดชาติก่อนอย่างนี้นะไอทากรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้เวลาชวนจะสิ้นสิบทำลายขันกรรมดีกรรมชั่วนันก็มาปรากฏในมโนทวารถ้าเป็นทากรรมชั่วไว้ เวลาจวนจะดับขันความชั่วนั้นมาแสดงนิมิตอันชั่วร้ายให้จิตได้เห็นนิมิตอันหน้าเห็นผู้เห็นคนก็เป็นคนดุร้ายหน้าเกลียดหน้ากลัวเห็นถนนน้นทางก็ครุขะเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อด้วยควักน้าไม่น่าเดินเห็นอาคารบ้านช่องก็เป็นอาคารเก่าๆข่ำข่าชำรุดทุดโรม ไม่มีเครื่องประดับประดาอะไรไม่น่าอยู่น่าอาศัยถ้าหาวานิมิตดังกล่าวนี้ปรากฏในจิตในขณะนั้นแล้วก็หมดทนทางแก้ไขแก้ไขไม่ได้เลยก็เป็นเครื่องชี้บอกว่าต น, น, นเมื่อตายลงแล้วก็จะต้องได้ไปสวยทุกทนทรมานมันชี่บอกอยางนั้นน่ะนิมิตอ น, นั้นะถ้าผู้ใดได้ได บำเพ็ญบุญกุศลไว้มากฝึกคนตนให้ละความชั่วแล้วทําความดีให้เกิดมีแก่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันความชั่วนั้นก็พยายามละจนให้หมดความหลงความเมาต่างๆมนั้นละให้หมดความโกรธก่ละออกไปให้มันมีเมตตากรุณาอยู่ในใจไม่อิจฉาเบียดเบียนใคร ใครมาคิดเปรียดเบียนก็ไม่ถือสาหาความอาภั ย, ย่ะโทษให้เราไม่ถือโกรธไม่ไม่ตอบโต้กันทางไม่ดีหากว่าฝึก้นตนไปอย่างนี้นะเวลาเจ็บหลักลงจวนจะตายมันก็จะมีกุศลกรรมนิมิตรมาปรากฏให้เห็นเห็นผู้เห็นคนกับคนหน้าตาดี หน้าตาสละสะลวยเป็นคนใจดีหน้าคบหาสมาคมเห็นถนนนนททางก็เป็นถนนที่ราบเรียบดีไม่มีขวกมีน้ำไม่มีลุมมีบ่อเห็นอาคารบ้านช่องก็เป็นอาคารใหม่ๆมีเครื่องประดับประดามีเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้น่าอยู่น่าอาศัยเมื่อจิตใจเห็น ภุศนกรรมนิมิตอย่างว่านี้แล้วก็ล่าเริงบันเทิงใจไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรกับความตายมีปัญญารู้เท่าว่าร่างกายอันนี้มันอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนำมาบังเกิดขึ้นเมื่อหมดเขตของบุญและบาปนั้นแล้วรูปอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ทรงแตกทําลายไปถ้าได้พิีรณารู้เห็นอย่างนี้แต่ก่อนความตายจะมาถึงมันก็ชินและความรู้นี่มันเห็นแจ้งในใจแล้วเมื่อถึงข่าวหมดบุญหมดวาถนาที่ได้สร้างมาแต่ก่อนแล้วมันก็รู้ได้นะอ๋อบุญหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็รู้ได้ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเคยได้พิจารณามาจนรู้ เข้าใจชัดมาแล้วเช่นนี้เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกเสร็จแล้วก็มันก็ไปทางดีนะนิมิตอันนั้นท่านเนียว่ากุศลกรรมนิมิตเป็นสัญลักษณ์เครื่องบอกว่าคุณเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้าก็จกมีความสุขความเจริญจะไม่ทุกข์ไม่ร้อน จิตใจมาเห็นนิมิตอย่างนั้นแล้วมันก็กล้าหาญอุ่นใจไม่อะไรในร่างกายนี้เพราะว่าร่างกายนี่มันสุดโทมเต็มที่แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วจะไปอะไรมันอยู่ทำไมผู้ภาวนาผู้พิจารณาอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็โทษ อ, อะไรลงไปเลยอันเบงั น, ง น, นผู้ที่ไม่ได้ภาวนาผู้ไม่ได้พิจารณาร่างกายสังขาร นี่ก่อนความเจ็บความตายมาถึงมันก็ย่อมห่วงย่อมอะไรร่างกายอันนี้ไม่อยากจะพัดภาคจากไปย่อมแสดงความทุกข์ความโศกญาติพี่น้องมาเยี่ยมก็นำตาไหลอะไรญาติพี่น้องก็ัะนั่นอะไรสิ่งที่ตนรักตนพอใจไว นั่นเรียกว่าตายไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะไม่ดีแน่นอนเลยไม่มีความสุขไปสู่โรคหน้าก็ดีดังนั้นชาวพุทธเรานะขอให้พากันเตือนตนอย่างนี้อย่าประมาทถ้าประมาทแล้วก็อย่างว่านะไม่มันเตือนตนนะเวลาความเจ็บความตายมาถึงเขามันก็ไม่มีสติทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็เดือดร้อน มีแต่กรวนกวายไม่มีอุบายสอนจิตใจตัวเองเลยจิตใจก็หวนไว้ไปตามทุกขเวทนานั้นๆไม่ได้สติควบคุมจิตไม่อยู่เลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วตายไปก็ไม่ไม่ได้ไปสู่ที่สุขสบายนะเพราะว่าไปสู่โลกหน้าก็จิต ด, ดวงเดียวนี้จิต ด, ดวงนี้แหละไปนะไม่ใช่ว่ามีจิต ด, ดวงใหม่เมื่อไรอ่ะ นั้นเมื่อจิตดวงนี้ปรับปรุงให้มันสุขสบายให้มันรู้เท่าร่างกายสังขารตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรลงวางลงไปได้อย่างนี้น ะ, ะเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่ทุกข์ไม่โศกแล้ว บุญกุศลก่อนนำไปสู่ที่สุขสบายต่อไป เ, ออเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้ทำบุญกุศลมามกกว่ามา ก, ก, มากคนไทยเรานะออคิดเป็นตัวเงินแล้วก็คงจะเป็นหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านก็มีบางคนนะอย่างวันนี้แหลเออะเจ้าภาพก็ได้จัดตั้งกองกินขึ้นที่นี้ แต่แ้วก็นําไปทอดอีกวัดหนึ่งอยู่ในป่านู้นเมื่อเราสร้างบุญกุศลอย่างนี้แล้วก็ให้พยายามรักษาบุญกุศลที่เราทานี้ให้ไว้ให้มันได้มันไหวพระมันนั่งภาวนาโน้มสติเข้าไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในอย่างอื่น โดยทำความเชื่อมั่นในใจว่าบุญกุศลที่เราทำนี่แหละคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราที่พึ่งอื่นอย่างนี้ไม่มีที่จะประเสริฐเท่านี้ไม่มีเลยอ่าเราก็ทำความรู้กับตัวเองอย่างนี้ตัวเองทำความรู้กับตัวเองอย่างนี้มาเราว่างั้นเมื่อตนเองรับรู้อย่างนี้แล้ว มันก็มั่นใจเลยแบบนี้นะมันก็อิ่มใจแบบนี้ใจมันก็ไม่วอกแวกไปทางอื่นเพราะว่ามันมันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอันดีอันงามอยู่แล้วอ่มันจึงไม่พุ่งไปทางอื่นถ้าภายในจิตใจคนเรานี่ไม่มีบุญมีคุณเไป็นที่พึ่งอยู่แล้วนี่มันใจเหี่ยวอืมคล้ายๆกับว่าคนไม่มีอาหารอยู่ในท้อง หิวหอยเราก็คิดถึงจะอาหารแล้ ว, วันนี้นะอ่าันเป็นย่างนั้นตอนนี้ชัหลายคนไม่มีบุญเป็ที่พึ่งอยู่ในใจเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขดังนั้นเมื่อไม่มีบุญเป็นที่พึ่งอยู่ในใจก็ไม่มีความสุขอยู่ในใจใจก็หิวความสุขวันนี้นะก็จึงได้คิดเล่ล่อนพระเนจรสเสแวงหาความสุขบายเสวงเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์ เพราะว่าแสวงหาความสุขผิดทางเหตุดังนั้นนะ่ะมนุษย์เราจึงได้โอ้อนอนบวงสว ง, สงเทวดาอินทรหมขอให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญนั่นแสดงว่ามันส่งกิจออกไปนอกูน่นมันสําคัญว่าเทวดาอินทรหมนั่นจะช่วยตนให้มีความสุขความเจริญได้มันเป็นงานเรื่องมะนะชาวพุทธเรานะั้นไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้น ควจะเข้าใจว่าเมื่อตนช่วยตนมาได้แล้วสิ่งอื่นจะตะมาช่วยตนก็ไม่ได้ไม่มีทางนะอ่ะถ้าตนช่วยตนได้ตนสั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจให้มากแล้วเช่นนี้เมื่อตอนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาตนนึกถึงบุญกุศลนึกถึงคุณพระรัตนากลาย ที่ตนเคารพปูชาเนี่ยว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วก็อธิษฐานโดยอำนาจบุญละคุณนี้ขอให้อุปสรรคความขัดข้องที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านี่จงบรรเทาบาวางระงับดับไปอย่างนี้นะอัะนนี้ถ้าบุญเรามนแรงจริงบุญอันนี้แหละก็จะไปดนจิตดนใจของเทวดาอินพรม ส่วนมากท่านกล่าวไว้ในตำรา ก, ก็ว่าพยาอยินแหละเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกของเรานี่แต่พญอินช่วยคนมีบุญคนไม่มีบุญบุญไม่ได้กระตุ้นใจของพญยอยินให้รู้งรู้พญยอยินก็ไม่รู้แล้วก็เพราะพญอินก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้นี้ไม่ใช่ว่าเทวดาอินพรมจะรู้จากมนุษย์ ทั่วโลกนี้ไปหมดเลยไม่ใช่มันรู้ได้ตั้งแต่คนมีบุญแล้วเพื่ออธิษฐานถึงบุญกุศลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละบุญนั้นจึงไปเตือนใจของพยายินอา่าในตำรากล่าวว่าพยายินนั้นมีแท่นบรรดุคำพนศิลาอาจัจอยู่ใต้ต้นไม้ปริกรชาตินั้นบัดนี้ถ้ามีเหตุอันใดที่จะให้พระยินพยายินช่วย อยู่ในมนุษย์นี้อาถนะอันนั้นก็จะแข็งกระด้างเมื่ออาถะอันแข็งกระด้งยางพระญินีก็รู้แล้วว่าต้องมีเหตุอันหนึง่งอยู่ในมนุษย์โลกจึงเล็งที่พระเนตรลงมาเล็งที่พระเนศมาก็เห็นจริงนะคนผู้มีบุญได้ได้เกิดอุปสรรคขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในขณะนี้จาเป็นเราต้องลงไปช่วยนี่นะ พรยอิยนยึงในลงใบมาช่วยผู้นั้นมาช่วยเปลื้องอุปสรรคความขัดข้องต่างๆนั้นให้ระงับตัดไปเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวกับเทวดาอินพรมนี่นะไม่ใช่ว่าเราไม่มีบุญกุศลอะไรอยู่ในใจแล้วเวลาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาแล้วก่อน สาธุเนอขอให้เทวดาอินพรมผู้มอีอภินิหารจงบันดาลช่วยเข้ข้าพเจ้าไดพ้พ้นทุกพ้นภัยค้นเสียดชัลใ ต, ต่างๆไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้เทวดาช่วยไม่ได้ท่ น, นขอให้เข้าใจนี่จะ ย, ยกเรื่องของพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งในอดีตการนั่นพระพุทธเจ้า สวยพระชาติชาตินั้นไปเกิดในเมืองพารณาณสีเป็นได้เป็นนักดีดพินชั้นเยี่ยมพระราชาก็เลยเอาไปทําราชการอยู่ในสํานักพระราชวังให้ดีดพินให้พระราชาฟังแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นปรูหิตตาจารย์เป็นผู้สอนอัดสอนธรรมให้แก่พระราชาปรหิต อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลในธรรมขั้นอยู่ต่อมานี่ก็มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปขอเรียนดีดพินกับปรหิตาจารย์ปรหิตาจารย์มองดูลักษณะท่าทางเนี่ยเอ๊เจ้านี่จะเป็นคนอกตัญญูนะนี่เพื่อนปฏิเสธไม่ยอมสอนให้ทีแรกหนุ่มน้อยนั้นก็ไม่ยอมพยายามทําดีกับอาจารย์ปฏิบัติอุปถาเกี้ยวควมไปมา อาจารย์ใจอ่อนก็เลยายอมสอนให้สอนให้จนมดัดวิชาความรู้ดีดพินอ น, นั่นแหละเพื่อลูกศิษย์ได้ความรู้ในการดีดพินแล้วบนี้ก็เกิดมาน้าที่ขึ้นมาแล้วเอเรานี่มันก็นับว่าขอใช้แลนะการดีดพินเนี่ยเอาเราจะต้องแข่งกับอาจารย์บนี้นะก็ไปไปพูดกับชาวเมืองประกาศ บอกว่าข้าพเจ้าจะดีดพินแข่งกับอาจารย์ในวันนับแต่วันนี้ไปเจ็ดวันท่านทั้งหลายจงมาฟังมาชมเหมือนกันนะเมื่อปุโรหิตอาจารย์นี่รู้เข้าอย่างนี้ก็วิตกวิจารณ์เอ้ยเรานี่มันก็แก่แล้วลู่ท่าจะดีดพินนี่สู้คนหนุ่มไม่ได้หรอถ้าหาว่าเราเกิดไปแพ้ใน เวทีอย่างนั้นเนี่ยเราจ้าชื่อเสียงไว้ที่ไหนอ่ะว่างั้นคิดทอะไรก็กลุ้มใจอ่ะวันนี้อย่างว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันนัดแข่งกันค่ำคืนวันนี้พโรโหหิตจาจางก็นึกว่าเราไม่เอาล้วจะหนีไปตายในป่านู่นดีกว่าที่จะไปแข่งขันกับเด็กๆอันนั้นแล้วไปแพ้เขาว่างั้น คิดแล้วก็หนีจากบ้านไปไปไปพอดีไปถึงต้นไม้ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งก็เลยไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้ตะเคียนต้นนั้นก็นึกถึงบุญบา ร, รมีที่ตนได้สร้างมาได้ทํามาอ่าอธิษฐานว่าด้วย อ, อำนาจบุญญาบา ร, รมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาหากมีจริงแล้วก็ขอให้ ช่วยแก้ไขอุปสรรคอันนี้ให้รู้ล่วงไปด้วยดีเถิดเพราะอธิฐานอย่างนี้มันก็ร้อนถึงพระยาอินอย่างว่านั้นแหลพะพญอินก็เล็งที่พระเนตรลงมาก็รู้ได้โอ้อันนี้เพราะหน่อโพธิสัต์นี้กําลังวีตกทุกข์ร้อนกับการดีดพินแข่งกันกันกบลูกสิทธิ์กลัวละกลัวจะสู้ลูกสิทธิ์ไม่ได้ฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องลงไปช่วย พญายินยังหายจากเทวโลกลงมาแสดงตนให้ปรากฏให้โหรหิตอาจารย์ได้รู้ว่าเป็นพญาอินที่มานี่ก็มาเพื่อมาแนะนําพิธีดีดพินให้เพื่อเอาชนะเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วพระญายินก็แนะนําให้ดีดอย่างนั้นดีดอย่างนั้นโหรหิตก็จําเอาไว้แล้วขอให้ดีดอย่างนี้นะเวลา แข่งขันประชันหน้ากันหวังนั้นแล้วต้องมีหวังชนะแน่หวังนั้นนะวันน้ถึงวันรุ่งขึ้นมาก็ตกจัดแจงตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่เวทีคนหลายก็มามุงดูกันมากมายกายกองวันนี้อาจารย์ทิศส า, าโมกนั่นก็ให้เด็กหนุ่มนั่นดีทินก่อนวันนี้ได้เวลาแล้วเด็กหนุ่มนั้นก็ดีพินตามที่อาจารย์สอนนั่น ไปจนหมดวิชาครูแล้ววันนี้ก็จบลงจบแล้วหรือจบแล้ววันนี้อาจารย์ก็ดีดขึ้นวนันนี้พอดีดขึ้นไปเสียงพินมันดังไพเราะเพราะพิงกวัวเสียงพินธรรมดาหนี้เสียงดังกังวานไปทั่วเมืองพารณาณสีเนี่ยตกลงในที่สุดน็กหนุ่มคนนั้นก็แพ้อาจารย์ ปรหิตตาจารย์นั้นพอแพ้อย่างนั้นแล้วบาปกรรมที่มันอัคตัญอู่จะแข่งดีกับครูชาวเมืองเขาก็ไม่เห็นดีเห็นชอบไอ้แก่นี่มันไม่สมควรจะอยู่ในสังคมเพราะเป็นคนอัคตัญอยู่ไม่รู้จักคุณของคนพอว่าแล้วก็เจ้าหนุ่มนั่นก็ถูกประชาทันตายอยู่ในที่นั้นเองอันนี้ที่ยก เรื่องราวเหล่านี้มาพูดให้ฟังก็ขอให้ถือเอาใจความที่ว่านั่นแหละพระโพธิสัตว์เมื่อไปนั่งอยู่ใ้ต้นตะเคียนนั่นใต้ต้นตะเคีย น, น, นได้อธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีที่ตนได้สร้างมาเนี่ยนั้นแหละถ้าว่าเพื่อมาได้อธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีอย่างนั้นพระยาอินก็ไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะให้เข้าใจถ้าบุญน้อยอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่รู้ พยาอินก็รู้ไม่ได้พ่อมีกําลังน้อยดังนั้นบุญต้องมีกําลังมากอย่างนี้อธิษฐานไปบุญนั้นจึงไปกระตุ้นใจของพญาอินหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งอย่าไปเข้าใจผิดว่าเมื่อแนะนําอย่างนี้แล้วหากเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาได้อธิษฐานถึงบุญบารมีที่ตนทํามาแล้วอุปสรรคนั้นก็ไม่ระงับดับไป ก็จะหาว่ า, าที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นไม่มีความจริงอย่างนี้ได้ชื่อว่าเข้าใจผิดไปก็เมื่อบุญบารมีของตนยังน้อยไปเช่นนี้นะอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะไปถึงเทวดาอินพรหมได้เน่ยขอให้เข้าใจถ้าอธิษฐานแล้วอุบาสกนั้นยังระงับไปไม่ได้ก็ขอให้รู้ว่า นี่บุญบารมีของเราก็ยังไม่มากพอเอาละอย่างนั้นเราก็จะต้องสร้างบุญบารมีต่อไปตั้งใจลงไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเห็นถูกเห็นถูกต้องเวงนงินเพราะฉะนั้นแหละคอยเข้าใจวันนี้ก็ได้ทาบุญกันสองกองบุญกองบุญหนึ่งก็นี่โยมจังหวัดพระบุรี ได้นำเครื่องอัดเทปมาถวายเครื่องหนึ่งนั่นแหละอยู่รบกุรีซึ่งไม่ได้คุ้นเคยกันแต่บางทีก็อาจจะได้พบกันแต่จำไม่ได้แต่เพื่อนเพื่อนราได้ฟังเทพธรรมะของหลวงปู่แล้วก็พอใจเข้าใจได้จึงคิดทรงเสริมซื้อเอาเครื่องอัดเทปนั่นมาถวาย เผื่อว่าเครื่องเก่ามันชำรุดสุดโทรมไปก็จะได้ใช้เครื่องใหม่แทนออันนี้ก็จึงได้ชี้แจงให้ฟังแล้วว่าการคิดเช่นนี้ก็นนะัว่าเป็นความคิดที่มีประโยชน์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานาังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะ ซึ่งการให้สิ่งทั้งปวงดังนี้นการที่ให้เครื่องอัดเทพเป็นทานก็เท่ากับว่าให้ทำเป็นทานนั่นเองก็ว่าเมื่อท่านเอาไปอัดธรรมะเข้าไปในม้วนเทพแล้วเอาแจกคนไปคนไปได้เปิดฟังเข้าไปก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถละชั่วทำดีได้อย่างนี้นะ เขาก็ดิเขาก็มีความสุขไม่ใช่สุขแต่เฉพาะชาตินี้มีความสุขทั้งในชาตินี้ชาติหน้าต่อไปก็ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขเป็นทานก็ว่าได้ดังนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าการให้ทำเป็นทานนี่ชั้นนะการให้ทุกสิ่นทุกอย่างในโลกนี้เพราะว่าการให้ผ้าล่่ผ้าหม่มการให้ข้าวน้า ก็ประทานแล้วก็อิ่มไปผู้ใดได้ยินได้ฟังคําสอนพระติเจ้ารู้คําสอนของพระติเจ้าแล้วที่เขาทําชั่วมาแต่ก่อนเขาก็รู้สึกตัวได้เขาละความชั่วนั้นเสียแล้วเขาก็ตั้งใจทําความดีเขารู้จักอิวัฒวิธีชําระจิตให้ปองใสสะอาดเขาก็ทําความเพียรชําระใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอากุศลนั้น ให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปที่เขาทําชั่วมาแต่ก่อนเขาก็รู้สึกตัวได้เขาละข่มชั่วนั่นเสียแล้วเขาก็ตั้งใจทําความดีเขารู้จักอบายวิธีชําระจิตให้ผ่องใสสะอาดเขาก็ทําความเพียรชําระใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอากุศลนั้นให้เป็นใจที่ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปอากุศลต่างๆไป เขาก็มีความสุขละโลกนี้ไปแล้วเขาก็บันเทิงในสวัสค์ได้ชื่อว่าเราได้ให้ความสุขแก่เขาทั้งชาตินี้และชาติหน้าความสุขนั้นก็ย้อนมาถึงผู้ให้ทาน อ, อ่าเป็นงั้นผู้ให้ทานผู้ให้ทรรมเป็นทานนี่อานิสงเกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาด รู้จากบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ประโยชน์และฟังคำสอนพระพุทธเจ้าก็บพลันเข้าใจง่ายดีไม่อึดอัดขัดขอ้องอย่างนี้นะนี่แหละอ น, นิสง์แห่งการให้เครื่องอัดเทพเป็นทานก็เท่ากับว่าได้ให้ทำเป็นทานโดยปริยายการทอดกระทิ้นอย่างนี้นี่เป็นประเพณีมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้า พระพุทเธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุสงรับกะถินแก่ผู้มีศรัทธาได้มาทอดถวายแต่ระเบียบการทอดกะถินนี่มันก็ไม่เหมือนอย่างทอดผ้าป่าหรือถวายทานทั่วๆไปหมู่นั้นมันมีข้อห้ามและมีข้ออนุ ญ, ญาตอยู่สำหรับภิกษุนะภิกษุผู้รับกะถิน จะต้องได้รับอานิสง์ห้ามัติกาแปดนี้นะแต่ทายกทายกาผู้ทอดถวายก็ได้รับอานิสงส์ผลมากมายกายกองเพราะว่ากองกระถินนี่โดยมากก็จัดกันไม่ใช่แต่มีแต่ผ้าไกลจัดให้มีผ้าห่มหนาวหมอนหนุนศีรษะ แล้วก็เครื่องครัวเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหมนี่ยมีดพระเสียมขวัญอะไรเรียกว่าเครื่องใช้ในวัดวาอารามนี่คนนิยมหามาก็ได้ชื่อว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญไปทางด้านวัตถุส่วนหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นะแล้วสำหรับพาไกลนั้น ก็พระภิกษุสองสามมันเอก็จะได้ใช้ได้โฮมคมเข้าไปตามธรรมเนียมของผู้บวชในพุทธศาสนานี้ก็ต้องมีเพศต่างจากคลือหัดอย่างนั้นดังนั้นเนี่พวกเราที่ทำกันอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราทำตามประเพณีมาแต่ครั้งพุท ธ, ธกาลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต อย่างไรพวกทายกทายิกาก็พากันจัดกันทำอย่างนั้นแต่สมัยครั้งพุทธกาลเพื่อนไม่มีจักเย็บผ้าเหมือนสมัยนี้ต้องได้เย็บมือกันเมื่อทายกทายิกาถวายผ้ากระถินเสร็จแล้วเพื่อนก็เอาไปกะไปตัดตัดเป็นขันเป็นขันออกไปแล้วไปเนาอีกทีหนึง่ง เน่านะคือว่าเย็บด้นด้นด้นห่างห่างไปแล้วแถมยังมีไม่สะดึงอีกคือทําไม่แบบออกเป็นตาหมากรุกจะทําเป็นขันห้าก็ทําเป็นห้าตาเอาไม้ทําเป็นตาอย่างนั้นแล้วก็เอาผ้าที่เน่าแล้วนะั่นเย็บติดกันห่างห่างแล้วนะั่นเอาไปขึงใส่กับไม่สะดึงอันนั้น ถึงใส่ไว้ดีแล้ววันนี้ก็เย็บตามนั้นเลยนะอแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นการเย็บผ้ากรถินตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะจึงล่าช้ามากช่วยกันเย็บเอาอทั้งวันก็จึงแล้วดังนั้นเนะี่ยเพื่อนจึงชอบนิยมตั้งเย็บอัต้าสบงนั้นสําหรับการกรินนะ ก็ผ้าสบงมันผืนเล็กอ่มันเสร็จเร็วหน่อยผ้าจีวรสังฆาติมันผืนใหญ่นานแล้วสำหรับสมัยนี้นะเครื่องเย็บผ้ามันมันมีมันทันสมัยอ่ะจะมันเย็บด้วยไฟฟ้าก็มีเย็บด้วยไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยเท้าเอาเท้าเหยียบเอาก็มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเย็บผ้าสมัยทุกวันนี้ผ้ากระินกน็ดี ไม่ลาบากเลยเมื่อญาติโยมถวายกันเสร็จแล้วนี่ก็ไปกะไปตัดกันเสร็จแล้วก็เย็บเข้าไปภายในชั่วโมงกว่ากวกก็เสร็จไปเลยผ้าสบองผืนหนึ่งเป็นอย่างนั้นตัดเย็บแล้วก็ยอมยอมแล้วก็ตาให้แห้งในวันนั้นแล้วก็พิน ท, ทุอธิฐานกรารให้ทันในวันนั้น ให้เลยวันนั้นไปถ้าเลยวันนั้นไปแล้วไม่เป็นกรถินอันนี้เพราะฉะนั้นการทอดกรถิ่นนี่จึงชื่อว่ามีระเบียบแตกต่างไปจากการให้ทานอย่างอื่นๆขอให้ญาติโยมเข้าใจไว้แต่แล้วพูดถึงว่าการทอดกรถินนทานกับการบังสกุลหรือการถวายทึ้ซึ่งหน้าเลย ไม่ต้องมีพิธีรีทองอะไรอย่างนี้จะมีอานิสงสผลมากนะน้อยกว่ากันอย่างไรแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าการทอดกรถินแหละมีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงนิยมทอดกรถินกันแต่ระวัดระวาแม้จะมีพระเพียงองค์สององค์กระถอด เขาเข้าใจของญาติโยมยังไม่รอบคอบพอเรื่องมันนะแต่แล้วพระก็ต้องได้อนุโลมตามเพราะว่าญาติโยมนิยมกันมากและเคินทุกวันนี้นะก็ต้องหาพระทางวัดอื่นน้นไปร่วมธรรมดารับกรถินนี้ถ้ามีพระตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปจึงรับได้รูปหนึ่งรับกรถินอีกสี่รูปเรินเป็นสงอพโลก สวดมอบผ้านั่นให้แก่ผู้รับเป็นงนั้นดังนั้นการการที่ว่าทอกระถินมีอานิสงส์มากกว่าอย่างอื่นไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าการให้ทานที่จะได้มีผลมากนั้นต้องพร้อมด้วยองค์สามเท่านั้นแหละองค์สามนั่นคืออะไรอ่ะองค์สามคือหนึ่งผู้ให้ทานนั้น ก็เป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์หมายเขามีศีลห้ามาต่ก่อนแล้วนะไม่ใช่ไปมีศีลเอาเฉพาะจะถวายทานเท่านั้นนี่เป็นองค์อันหนึ่งสองทยทานที่หามานั้นหามาได้โดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่ลักไม่หลอกลวงเอาของผู้อื่นมาให้ทานสามผู้รับทานนั้นก็เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม ก็ได้แก่สาวกสงของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดีมีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจทากิเลสตัณหาน้อยเบาบางไปหรือว่าทาอาสวะให้หมดสิ้นไปเมื่อประกอบปไปด้วยองค์สามอย่างนี้ละ่ะการถวายทานนั้นจึงมีผลมากนะขอให้เข้าใจ ถ้าหากว่าการถวายทานจะไปถวายกระินหรือผ้าป่าบางสักคุณหรือถวายสังฆทานประเภทอื่นๆก็าตามถ้าไม่พร้อม้วยองค์สามนี้อานิสงส์มันก็ไม่มากเช่นเดียวกันะนะเว่งันอะนนั้นเราจะถวายทานประเภทไหนๆก็าตามถ้าพร้อมโดยองค์สามนี้แล้วอานิสงส์มันก็มากอขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกัน ดังนั้นเนะี่ยก็พากันสํารวจกวดดูว่าการให้ทานของเรานั้นประกอบด้วยองศามไหมอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ให้ทานจะพึ่งพิสูจน์ให้รู้ว่าองศามนั้นเราได้แล้วหรือยังนั่นแหละพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระปัญญาปรีชาฉเฉลียวฉลาดมากชงรู้สิ่งใดที่ควรและไม่ควรเ อ, อสิ่งใดที่มีผลมากมีผลน้อย พระองค์รู้แจ้งไปหมดเลยเนี่ยจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้ทงหลายได้ปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทอันลัตที่อื่นศาสนาอื่นนั่นน่ะคําสอนของลัตที่อื่นไม่ไม่โลกครอ บ, อบเหมือนอย่างคําสอนของพุรธเจ้าคําสอนลัตที่อื่นนั้นเท่าที่ศึกษาดูแล้วก็มีถูกหยุดบางแง่บางมุมบางเรื่องเท่านั้นแหละ ไอ้บางเรื่องนละมันผิดไปจากความเป็นจริงอย่างเช่นว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้นะมันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้เลยอย่างนี้แหละพระเจ้าที่ไหนจะมีอิทธิปาฏิหารไปสร้างโลกนี้ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์ตรัสรู้แจง้งกาบหนึ่งหนึ่งจะตั้งขึ้นมาได้นะ แล้วกลับห น, หนึ่งจะเสื่อมไปเแลเขก็มาแผน่นดินอันนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วอนี้มันจะต้องอยู่ไปได้ถึงกลับหนึ่งเรื่อมันจะเกิดไฟประรายกันไหม้แผน่นดินอันนี้เป็นพัทโรีไปเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอืแล้วก็เกิดเป็นน้ําขึ้นมาเมื่อเป็นน้ําเกิดมีไฟไหม้แล้วเกิดฝนตกฝนตกดับไฟแบบนี้ไฟดับไปก็ น้ำเต็มโลกอันนี้นะเหือนเมื่อมีน้าำขึ้นมาแล้วเกิดมีลมบาห น, นิลมพัดน้ํากระเพื่อมไปมากระทบกันไปกระทบกันมานานแสนนานนะน้ํานี่กค็ค้นเข้าค้นเข้าในที่สุดก็เลยแข็งเป็นก้อนขึ้นมาแต่ทีแรกมันก็เป็นธาตุที่อ่อนๆแล้วะเอียดท่านในตําราท่านเรียกว่าง้วนดินเนะ่ งืนดินนี้มีรสอร่อยมีกลิ่นหอมส่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลกโน่นนะพวกพรหมนั่นลงมากินงวนดินนี่ติดรสชาติของงวนดินนะหนีไปไม่ได้กินนานเข้านานเข้างวนดินก็หยาบเข้าหยาบเข้าวันนี้แต่ก่อนพรหมนั่นน่ะเหาเอินเดินอากาศได้ทันพอกินงวนดินนี่นานไปงืนดินหยาบเข้าไปหยาบเข้าไปซานก็เสื่อม เหาะไม่ได้เลยบะ น, นี้เหาะไม่ได้บะ น, นี้ก็อัอนธรรมดาพรมเนี่ยมันไม่มีเพศหญิงเพศ ช, ชายนะเป็นอย่างนั้นบะ น, นี้เมื่อเพศมันหยาบเข้าหยาบเข้าแล้วมันก็กลายเป็นเพศหญิงเพศ ช, ชายขึ้นมาผู้ใดเคยเป็นผู้หญิงมาแต่ก่อนก็เกิดเป็นเพศหญิงเข้าขึ้นมาผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้ชายมาแต่ก่อนก็เกิดเป็นเพศ ช, ชายขึ้นมาอย่างนี้นะ นี่แหละเมื่อเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายขึ้นมาแล้วมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นก็เป็นเหตุให้สมสู่อยู่ด้วยกันสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมีลูกมีหลานขึ้นมาแผ่นดินก็แข็งขึ้นตรงไหนที่น้ำมันคน้นค้นมันเกาะติดกันมันไม่ละลายมันก็กลายเป็นภูเขาไปตรงไหนมันเป็นที่น้านมันล่าไปอย่างนี้ เมื่อมันแข็งกระด้างเขาแล้วมันก็เป็นที่ลาบ อ, อย่างนี้แหละนี่แหละพัฒนกรับนี้ตั้งขึ้นนะเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เราจึงว่าได้เกิดมาที่จริงมนุษย์เราเนี่เกิดมาจากพรหมน ะ, ะเหตุดังนั้นเมื่อเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์จึงได้ถือท่ามหาพรหมนับถือพรหมเป็นใหญ่เป็นที่พึ่งเลย ก็เพราะมันเอาคำเนิดมาจากพรมนั่นเองนี่มนุษย์เรานี่นะเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้นี่พูดราดลาดเอานะอันกลับถึงมันจะสิ้นไปเนี่ยมันต้องมีพระอาทิตย์ขึ้นมาถึงเจ็ดดวงนู่นอืมเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาถึงเจ็ดดวงแล้วก็ร้อนเต็มที่เลยจึงได้เกิดไฟไหม้แผ่นดินขึ้นอมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่พระตะกับนี้จะหมดไปนะ ขอให้เข้าใจาพระเกรบนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อพระสีอริยเมตไตรมาตัดสรูุ้ในโลกแล้วต่อจากนั้นไปก็คนก็อายุ ส, สั้นลงสั้นลงสั้นลงในที่สุดห้าปีแต่งงานสิบปีตายเท่านั้นแหละแล้วก็หมดเลยนะะนี่ันนี้เกิดไปประไรกันไม่โลกขึ้นมา แล้วก็ตั้งกลับใหม่กันใหม่ขึ้นมาในพัฒกับต่อไปนี่จะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดถึงสิบพระองค์ ừ, เพราะฉะนั้นแหละพวกเราขอให้พากันพยายามละความชั่วออกจากตัวและพยายามกระทำคุณงามความดีเข้าไปฝึ ก, กจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้นึกถึงความตายบ่อยๆแล้วจิตใจมันจะไม่ได้ห่วงได้หวงอะไรต่ออะไรในโลกนี้ แลวก็ก็จะชีวิตนี้ก็จะมีความสุขความเจริญไปอก็จะได้ไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งในอนาคตถ้าว่าไม่สามารถที่จะละอาสวัคิเลสให้หมดสิ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพานิพานในอนาค ต, ตาการ แต่ครั้งพุทธเจ้านั่นนะมันก็มีอย่างนี้แหละครั้งพุทธเจ้านั่นนะตามตำราทั้งกล่าวไว้ทายกทายิกาผู้ครองเรือนนี่แหละใครมีโอกาสว่างจากการจางงานบ้างก็พากันเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวรักษาสินแปดแต่ไม่โกนผมปฏิบัติรสราอารามรับใช้พระเจ้าประสงค์เอ้น ไปสมมาสมควรพอนึกว่ามีกิจการงานในวัดแล้วก็อา่าลากลับเข้าบ้านนุ่งดำห่มดำตามเดิมนะไอ้พวกพรามนี่เขาถือกันเด็กข้างนั้นนะถือกันว่าถ้าใครโกนผมแล้วผู้นั้นได้เชื่อว่าตัดกิเลสแล้วถ้าหากว่าเห็นใครโกนผมไปอยู่วัดแล้วออกมาอยู่ในบ้านเขาทำหนิ ทีเตียนกันมากดังนั้นพวกที่เข้ามาอยู่วัดชั่วคราวจึงไม่โกนผมเมื่อถึงเวลากลับบ้านก็กลับไปแต่พวกที่จัดตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าจะปฏิบัติธรรมเรื่อยไปไม่คํานึงถึงบ้านถึงช่องก็โกนผมโกนคิว้วแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดไปมอนก็มี หลายขั้นตอนการปฏิบัติธรรมเอา้าผู้ไม่มีโอกาสได้มานุ่งขาวห่มขาวได้มีโอกาสบางครัง้งบางคราวได้เข้าวัดเข้าวาไปฟังเทศฟังธรรมบ้างทำบุญบ้างอันนี้ก็ระดับหนึ่งอันนี้นะอันนี้ทางคมนาคมมันสะดวกไม่เหมือนแต่ครัง้งพุทธเจ้าครั้งพุทธเจ้าไม่มีรถลาถนนนั้นทางจกดีอย่างนี้ก็ไม่มี มีในทางโลทางเกวียนแต่คนสมัยนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วประทับอยู่เมืองสาวัตถีวัเชตวันารามหนึ่งชวนกันจัดทายทานใส่โล่ใส่เกวียนแล้วก็พร้อมกันเดินทางไปข้อพระพุทธเจ้าไปตั้งรงครัวลงไปทำอาหารการบริโภคถวายพระพุทธเจ้าพระสงค์ ฟังทำไปสามวันเจ็ดวันเมื่อเครื่องครัวเสร็จแล้วหมดแล้วก็ทูลลากลับบ้านกลับช่องเดินทางไปเั้งเจ็ดวันยึงถึงก็มีสิบห้าวันยึงถึงก็มีอสมัยนั้นรถลาไม่มีจตว่าสมัยทุกวันนี้พวกเรานะบุญหลายเราไม่ได้กลากกรรมลำบากเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้น ชาวกรุงเทพมหานครนะเป็นผู้มีบุญวาฒนามีปัญญารู้จักว่าเนื้อนาบุญอยู่ที่ไหนก็พากันสืบก็ศึกษาให้รู้ข้อพระสงฆนะ์เป็นเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้แต่หมายเอาพระสง์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตา ม, า ม, ามวินยัยจนละอาสวะคีเลสขาดจากขันดานโดยเอกเทศบ้างโดยชินเพิงบ้าง อย่างนี้จึงเรียกว่าส่งสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สนเสริญว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้ต้องการบุญกุศลแล้วก็ไปหว่านพืชเพื่อให้ทานในพระสงฆ์เหล่านั้นบุญกุศลก็มีผลมากมายเหมือนยังบุคคลที่ไปหว่านพืชลงในดินที่ดีดินชุ่มดินมีรสมีน้ำชุ่ม พืชต่างๆมันก็งอกงามเจริญขึ้นที่ด อ, อกออกผลในเจ้าของได้เต็มที่เนีนั่นแหละแต่ไร่หรือนาของคนเราที่มันจะได้ผลดีมันจึงต้องเลือกอะไรเลือกที่ดินนะถ้าไปทำนาในที่ดอนอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะได้คงไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไปทำสวนใส่ที่รุ่มน้ำแช่ ต้นขนมาคลากไม้ก็ตายเพราะไม้ชนิดนั้นมันไม่ทนต่อน้ําอยอย่างนี้เหละฉันใดผู้แสวงบุญผู้ต้องการบุญผู้สั่งสมบุญให้ทานก็ต้องมีผู้รับไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปวางไว้บนร้านเหมือนอย่างเขาบวงสวงเทวดาอินพรมเรียกร้องให้มาอยู่มากินไม่ใช่อย่างนั้ น, น เขามาทําบุญนะี่ยมันให้ทานเนะ่ยมันต้องมีผู้รับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางร ะ, ะเบียบไว้ว่าผู้ให้ทานที่จะมีผลมากนั่นนะมันต้องพร้อมโดยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานต้องมีศีลบริสุทธิ์คือมีศีลห้าบริสุทธิ์เนี่ยสองทายทานที่แสวงหามาได้นั่นต้องหามาโดยทางสุจริต ไม่ชอบไม่โกงไม่หลอกลวงเอาของคนอื่นมาทำบุญให้ทานสามผู้รับทานนั้นก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามซึ่งเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าพร้อมด้วยองค์สามอย่างนี้แล้วการให้ทานท่านให้ชื่อว่าอุตมทานแปลว่าทานอั น, อนเลิศหรือว่าทานอย่างสูงเป็นอย่างนั้น ดังนั้นผู้มีปัญญาอย่างวันนั้นแหะโดยมากชาวกรุงเทพนี่เท่าที่สังเกตมาก็พากันเดินทางนอนแล้วจากกรุงเทพไปสู่ชนบทมีสำนักรงมีสำนักปฏิปธรรมอยู่ที่ไหนป่าดงพงไพยก็บุกเข้าไปหรืออยู่ตามถาม้ำตามนั้นก็บุกเข้าไปกพราะทุกวันนี้เนะี่ย หน่วยพัฒนาการก็กระจายกันอยู่ทั่วๆไปที่เรียกว่ากรฟกกลางหรือว่าหน่วยรวพชหากว่าญาติโยมไปทำที่พักขึ้นตรงไหนที่พักพระขึ้นจะเป็นในป่าในเขาทันเมื่อพอที่จะทำทางรถไปได้หน่วยกรฟกกลางเขาก็ช่วยเหลือ ทําถนนน้น ท, นทางเข้าไปให้อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ขัดข้องเลยจะพระทวารนี้จะแม่นอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าที่ไหนญาติโยมก็ไปถึงได้เพราะทางมันสะดวกนี่แหละจึงว่าเป็นบุญวาฒนาของพวกเราอย่างวัดนี้แหละอย่างนี้นะเอาอยู่บนหลังเขาอะ่ะแต่เขาก็ไม่สูงชันเกินไปก็ทําทางลาดปูซิเป็นขึ้นมาแต่ก่อนในทางลูกรัง เวลาฝนตกซอกมันก็เป็นล่องเป็นล่องเป็นล่องรดขึ้นลาบากเลยเพราะ้ได้ลาดปูนซีเมนเสีย ต, ตลอดถึงหน้าศาลามันนี่ลดใดใก็ขึ้นได้เลยวันนีอมันก็สะดวกสบายขึ้นอย่างนี้นับว่าพวกเราได้มาเกิดในยุคในสมัยนี้นะมันก็เป็นบุญเป็นวาสนาอย่างหนึ่ง เพราะว่าสมัยวิทยาศาสตร์มันเจริญนะสิ่งอำนวยความสะดวกในการไปการมาการอยู่อะไรก็นับว่ามีพร้อมเลยอย่างว่าพวกเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ก็ยังว่าโอ้้พากัรทําความพอใจดีใจว่าชีวิตของเราเกิดมาในยุคนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันหนึ่ง บุญกุศลแต่งเรามามาพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้รับความสะดวกสบายในการแสวียนบุญต่างๆมันจึงเป็นโอกาสของเราที่จะต้องแสวงยบุญให้เต็มที่บุญภายนอกเราก็ทำกันอย่างนี้แหละเราเที่ยวไปในวัดวารามต่างๆบริจาคทรัพย์ออกบำลุงตามกำลัง ความสามารถแต่ที่เราบำรุงวัดในบนี้ก็คือว่าไปที่ไหนมาที่ไหนก็สำรวมรักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นไม่ให้ใจวอกแวกหันไหวไปตามกระแสะของโลกในเมื่อในขณะที่เราแ ส, ว ง, างา ว, าาสวงบุญอย่างนั้นอันถท่าเวลาเราแสวงบุญอย่างนี้ เราไม่ตั้งอกตั้งใจมันก็จิตใจของเราก็ไม่หนักแน่นไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญนะมันก็ไปตั้งมั่นอยู่ในเรื่องภายนอกนั่นอารมณ์ภายนอกนู้นฉะนั้นเวลาเช่นนี้เราควรที่จะตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เสียถ้าไม่ใช่เวลาเช่นนี้แล้วเราก็ตั้งใจไม่ค่ดัได้ถ้าไม่มาสู่สถานที่ฝึกค้นอารมอย่างนี้ อยู่ตามลำพังใ น, นก็มีแต่พเพลินมีแต่เมาไปตามเรื่องต่างๆนั่นนะไปอย่างนั้นเนี่ฉะนั้นคำว่าวัดภายในนั้นหมายถึงการฝึกผลกจิตใจอันนี้การสํารวมใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่